ส่วนสูตรที่สองนี้โดยนิย่ตรงกันข้ามนะครับในทุติยภิกขุสูตรว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอาหาัรตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูการพิสูจนทั้งหลายภิสูุผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความขับแค้นไม่มีความเล่าร้อนในปัจจุบันเมื่อตายไปได้สุขติธรรมะสองประการเป็นฉนัคือ ความเป็นผู้คุ้มครองทาวารในอินทรีย์ทั้งหลายหนึ่งความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะหนึ่งดูความพิสูจ์ทั้งหลายพิสุผู้ประกอบด้วยธรรมะสองประการนี้แลย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนในปัจจุบันเมื่อตายไปพึงหวังสุขคตินะครับหวังได้ซึ่งสุขคตินะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุใดคุ้มครองดีแล้วซึ่งทวารเหล่านี้คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจรู้จักประมาณในโภชนะสำรวมในอินทรีย์ทั้งหลาย พิสูจนนั้นย่อมถึงความสุขคือสุขกายสุขใจพิสูจน์เช่นนั้นมีกายไม่ถูกไฟคือความทุกข์แผดเผามีใจไม่ถูกไฟคือความทุกข์แผดเผาย่อมอยู่เป็นสุขทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับอันนี้ก็ข้อความในพิคุสูตรส่วนในอัตถกถาท่านบอกว่าทราบพึงทราบโดยนิยะตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วนะครับตรงข้ามกับฝ่ายดําซะก็จะเป็นขาวแทนนั่นเองนะครับ Thank you.